หันตอนบกันตอนเช้าตอนเย็นจำนลนอะไรมากกว่านี้ก็ไม่คข้าได้สำหรับหวงพ่อหลวงตากาตกบกห้องถ้าจะเปรียบเทียบกับการไปสอนทำที่อื่น ก็ต้องมีชั่วโมงสอบถามผู้ปฏิบัติธรรม <c oughs> เป็นสถานที่ใดที่หนึ่งให้มีให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้แสดงออกว่าไ ม, ามกขมรู้ความเห็นเป็นเช่นไรล้วก็ได้พูด ก, กับทุกคน ได้ยินทุกคนไม่เห็นทุกคนในความรู้สึกจะง่ายเราก็ได้สุ ด, ดงได้ที่นำไปแต่บัดนี้มันทำเช่นนั้นไม่ได้มนใครพูดก็ไม่ค่อยจะได้ยินเวลาที่จะไปเดนิน พระกป ก, ะะ ก, ร ก, ก, ก็ผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยจะสะดวกจึงบังเพิ่งพาให้พวกเราได้ดูแลช่วยกันให้มากๆครับผู้ปฏิบัติสมัยหลวงตาเป็นโยมไปปฏิบัติที่วัดป่าพุทธยานเนี่ย แม้แตเนินน้อย้ามาบอกว่าสอนได้ยินพระสงฆ์ได้ยินญาโจมพูดกันแต่เรื่องการปฏิบัติบางทีเขาพูดกันเราก็ฟังขโมยเอาอะไรที่มันมีใช้ในเราอะไรที่ไม่มีแล้วก็เอาคำพูดของเขาที่ไม่ได้เกี่จะนาสอนเรา ไอยชีวิตจะพูดเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติถ้าเป็นแม่ชีก็มีไม่ชีสูนไม่ชีแข้วแม่ชีจันทร์ถ้าเป็นเนนก็ได้เห็นเนนมาบอกเนนพุ่งเนนประสาทเนนเฉ็มบเนนยังจำได้บรรยากาศ ในการปฏิบัติธรรมมีเ ต, ม, ตมูตตมิตรนะพวกเราก็อย่าทิ้งกันให้ดูแลกันเดินไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้มาเม่ได้แต่งตั้งให้มีความรู้สึกให้มีศรัทธาให้มีความเมตตาอยากบอกอยากสอนคิดจะบอกอยากสอน อะไรที่ไม่ดีที่ดีอยากจะ้ไปผกให้ความคิดให้ความเห็นนำในการปฏิบัติให้เหมืน อ, อนโอปุญนาจแม้ไปบินเทบาก็ยังพูดกันเรื่องปฏิบัติธรรมหรือเวลาทำงานย่อมผ้าก็พูดกันเรื่องปฏิบัติ มีงานส่วนรวมบ้างย่อมผ้ากุดส่วมอะไรต่างๆ ต, ตั้งชื่อให้กันเล่นๆสนุกราสิทธิ์โคกโคกคิดขึ้นมาบางระลูกไม่มีการศึกษา มานานแลวพ่อเถียนก็จะมายืนมาบอกนิดหน่อยไม่มากสาหรับเราลนะคนเดินมจะมากคนไหนมีปัญหาหลวพอเถียนมักจะไปบ่อยๆเดินผ่านไ ป, ปบ่อยๆท่านมริเกจณามาสอนเราเชิงๆิงโดยตรงเดินผ่านไปก็ตีหลังหนึ่งเราอยู่กะตทีที่ทางผ่านแล้วก็แกลถาม เห็นเราเดินจยกมเห็นเราทำสร้างจังหวะอยู่ส่วนผู้ใดที่มีปัญหาหลวงพ่อเทียนก็จะไปไม่ขาดส่วนมากคนเรานี่นะส่วนผู้ที่เห็นตัวเรามีอะไรเห็นตัวเราฟังเสียงหลวงพ่อเทียน ประกอบในตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็เฉียบอารมณ์สับปฏิบัติเข้มเหมือนกันแต่ว่าต้องราธรรมวมัดเช้าธรรมวัดเย็นเพื่อฟังหลวงพ่อเทียนเทศนาเอาตอนนั้นออไปสอนตัวเองจริงที่หลวงพ่อเทียนสอนไม่ n h i ề กับเรา หรือสิ่งที่เราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตดรัสลู้จริงๆมีจริงๆพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์เราได้สมบัติกับสติเราได้สมบัติกับศีลสมาธิปัญญามีประโยชน์ต่อเรามากเราก็มีศรัทธาเราได้พบเห็นความเทศจความจริงที่เหมือนเกิดขึ้นกับเราเนี่ย มันบอกเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนมันเจ็มันเจ็บมันตายรูปเนี่มันมีอาการมันมีธรรมชาติมันบอกธรรมชาติอาการที่เกิดกับรูปกับนามมันบอก มันเป็นธรรมจริงๆไปตู่โอมได้กินความทุกข์ที่เกิดกับลูกความทุกข์ที่เกิดกับน้ำไปตู่โอมคืดไปตู่มันทําไม่ทําไม่ลง ม, มันเหมือนเราไปตู่โของคนอื่นจะเป็นของตัวเรานะ่ยมันจิน แ, นแข็งแข็งใจ มันเอาไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลับทุกเป็นไปเพื่อความสงบไปในจิตใจเห็นกระแสแห่งพระนพ่านามาผิดมามันก็มองเห็นความถูกนี่กระแสาภายนิ่านมาทุกมองเห็นความไม่ทุกในความทุกมาหลงมองเห็นความไม่หลงในความหลง มันเกิดขึ้นดีกายที่ใจเราเนี่ยมันไปกระแสไปอย่างนี้ไม่จนเป็นชีวิตที่ไม่จนกับปัญหาที่เกิดเกิดรูปกับนามเวลาเราปฏิบัติพตัวดูที่ไหนโกองอาจที่เสมอตูเละตัวเองหรือดูแล ร, รูปนามได้เป็นอย่างดีจะเป็นเรื่องใดก็ตาม เลพอเรื่องกิเลสอันหาเรื่องหลงที่เกิดขึ้นความทุกข์ความหลงที่เกิดขึ้นกับลูกคนหนึ่ช่อมิชํชนานาญมันก็อันเดียวไม่มีหลายอย่างอันทีสิงที่แก้ก็มีอันเดียวชํานาญในการลูกเวลามันหลงสิงที่มันหลงมันบอกเป็นวัตถุเป็นอาการ เป็นประมาทเป็นสมมุติในความหลงเป็นสมมุติบัญญัติในความหลงเป็นระมัทสัจจะมีวัตถุอาการที่เกิดให้ที่ให้เกิดความหลงนัานบอกครบท้นวนโมริวนลมีหลักฐานแน่นหนาทำจริงที่จร่งใดที่ผิดก็มีหลักฐานจริงใดที่ถูกก็มีหลักฐาน กเห็นลูกเห็นนามเห็นวัตถุอาการที่เกิดกิขึ้นกับลูกกับนามเห็นสมมุติปัญญัติเข้าไปเกี่ยวข้องมีการสัมผัสกับสิ่งนั้นเกิดสิงนี้ขึ้นมาแั้วก็เห็นแต่ของกริงของไม่จริงบางทีประลมาัดเนี่ยมันมีจริงแต่มันไม่จริง เอาความไม่จริงมาเป็นประมาทประมาทแค่เอาความจริงมาเป็นประมาทในบางโอกาสวามเจ็บมันก็จริงวามเจ็บมันก็จริงความตายมันก็จริงความไม่เจ็ความไม่เจ็บไม่ตายมันก็จริงความไม่เที่ยงก็จริง ควาเป็นทุกข์มันโกจริงแต่มันไม่จริงแบบมันไม่ในความเที่ยงจะให้เป็นเป็นความเที่ยงไม่จริงอย่างนี้ในความทุกข์จะให้เป็นความสุขมันไม่จริงแบบนี้แต่เราเห็นอย่างนี้ทั้งสองวันมาเป็นคู่เดี๋ยเราปฏิบัต <c oughs> ิในภพได้เห็น แบบนี้ชำนาญข้องแ่วลื่นลื่นลื่นลื่นล่วล่วไม่หนักไม่ติดไม่เป็นนึกวามสะดวกหลงก็สะดวกมาเลยไม่ได้ป้องกันอะไรได้เห็นหลงได้เห็นไม่หลง บอยตัวเหมือนที่พูดว่าชีวิตชอยหาดขึ้นจะมาเลยไม่ต้องกลัวชีวิตชอยหาดชีวิตหักซอยอันเดียวกันไหมซอยหักก็พาซอยอเดียวกันไหมห <c oughs> มายถึงหมายถึงเกี่ยวกับทะเลนะ ไม่จึงสายหาดไม่จึงสายมันลำบากเทานะ <c oughs> ไม่กระทบกระเทือนไม่เป็นฟวงเป็นคลื่นไม่ดังสายหาดงา ม, มาเวลาขึื่นมาเอยไปเล่นน้ำสายหาดที่เกาะตะรูโตกง ค, คืนเกือบจะมืด ไปกับจันไปสารจันพิรุตวดป่าวมหาวันชาวสารชวนอาบเล่นน้าลองดูไห ม, มเอาสิวั <c oughs> <c oughs> นเกันลงขึ้นใหญ่ๆมานี่ยก็โดดใจขึ้นมันซัดเราเดินขึ้นไปกันนะ เวลาเห็นขึ้นมาวิ่งใส่ลุยลงสปต่ำลงเดินเก็ บ, บมาน้อยไม่มากนามก็เต็นเนี่ยถ้ามีการกระทบจากนั้นก็เป็นเหตุขึ้นมายืดสายหัดจี่จริงมันธรรมชาติความโกรธมาความรู้สึกตัวมามันไม่กระทบกระเทือนจะดุ มัาเถอือป่อยเลยันเปิด อ, อ, ก อ, อกใส่เลยตาก็ดูมันหัูก็ได้ยินมันมันจะมาแบบไหนไม่หลบไม่รีท่าถ่ายชีวิต่ท่าถ่ายต่อโลแบบลุยล่ยๆุยไม่ได้ย่องยองแง่งแงไม่ได้หลบหูหลบตาบริเวณที่ามาดู Oh, oh. มันจะมีอะไรขึ้นให้มันแก้ผ้ามามันก็จะดูชีวิตของเราเป็นเช่นไรนั่นก็อจะเน้นทาอะไรบางประดูจะร้อน oh. จะหนาง oh. จะเก็บจะพูดเก็บเป็ น, ปนให้เป็นไหไรก็ตามมาแบบไหงก็ได้ผีวิตสายหาส่วนมากก็เป็น ประโยชน์ในหลักไตฐานเช่นชาสุขของที่ตายก็เกยบนสายหานเป็นที่ทิ้งที่วางที่เกิดอะไรขึ้นไม่เห็นฝังที่เป็นฝังไม่มีอะไรมาไม่เห็นอะไร ชิันเป็นสายห่ามันเป็นแก้วแตกมันเป็นน้องเทียนว่ามันเป็นเชือกขาดจะให้มันแน่นมันติดไม่ได้ชีวิตจืดที่วิตจืดน้องผู้เทียนบอกถามผู้ในฝั่งว่าเอามือไปแตะก้นเด็กน้อยๆเอาไปแตะมันจืด หรือไปเหยียบเหรินสายแล้วไปอาบน้ำอยู่วัดบ้า น, นบุหมวัดบันพตขีรีไปอาบน้ำในห้วยเมฆสายห่านน้ำไหลตกแม่โขงแลวงพ่เทียนว่าเหยียบดูซิตัวเนี้เหยียบมันก็จืดตกเขาถูกเก้าขึ้น ก็ชุ่มเพิ่มมาเวลาจะเหยียบมันจืดให้เป็นอย่างนี้ให้มันจิตจืดจะเนยเวลาสมบัดเวลาตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจหูได้เกินดิ้นเลยลดายสมบัติใ จ, ใจิตใจคิดนึกให้มันจิตจืดมันไม่มีคนไม่ข้าไม่มีรถเสียงก็ไม่มีรถอินก็ไม่มีรถลื่นก็ไม่มีรถก้อยก็ไม่มีรถจิตใจก็ไม่มีรถ เหมือนจุดๆเป็นนี่ชีวิตไม่รู้จะพูดอะไรเป็นปนมันเป็นอาการของชีวิตที่เหมือนได้ชีวิตที่ไม่กระทบ ก, กระทือนการปฏิบัติธรรมนี่ <c oughs> ทำได้ทุกคนเป็นเช่นนี้ได้ทุกคนในความหลงมาอพร้อมกันความโผไม่หลงในความทุกข์มาพร้อมกันกับความไม่ทุกข์ไม่มีทางจน ในความเจ็บมาพ้อมกันความไม่เจ็บไม่เจ็บเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เจ็บไม่รู้เรื่องอะไรในความเจ็บมันไม่ทำอะไรให้เราไม่ได้มันเป็นเรื่องของความเจ็บใจมันไม่เจ็บได้ยังไงมันอันหนึ่งที่มันไม่มันจืดในชีวิตที่มันเป็นชีวิตเนี่ยมันจึงใช่ได้จึงเป็นการท่าถายไม่หนีไปไหน ความเจ็บจะเอาไวเกาออกตัดทิ้งเห็นคั้มเจ๋จะบง่งออกมันบ่งน้ำมันก็บ่งไม่ได้มีปัญญามีมรรคมีผลตรงนั้นมีมันเป็นสมบัติของรูปธรรมจิง ท, ที่ไม่เป็นรูปไม่ใช่ตัวตนมันเป็นมหาภูตแต่รูป มันเป็นอุปทายลูกมีมหาภูตารูปแต่อุปทายลูกไม่มีแล้วก็เป็นอาการไป็ธรรมชาติเป็นจิริยาของมหาภูตารูปเมื่ออุปทายลูกไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็ได้ชีวิตตรงนั้นแล้ ว, วว่าศูย์อยู่ว่างกปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวเช่อตน ลูกไม่ใช่ตัวตนสัญยามไม่ใช่ตัวตนสงขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตุ้นเราก็ว่ากันจนชินถ้ามันถึงที่มันเห็นด้วยาพูดออกมาจากปากให้มันเห็นมันลึกซึ้งในว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน โอ้ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงบุญญาณไม่เที่ยงมันเห้มันสุขมันไม่มีอะไรมันหายตัวไม่ใช่เรียกว่าสุขไม่รู้จะเรียกอะไรนิพพานังประมังสุขขงังนิพพานไปสุขอย่างยิ่งนะว่าสุขแบบไม่เป็นอะไร ไม่ใช่สุขแบบกี่แบบเผาสุขขอไขไม่ใช่สุก khó ไขอไ่าน่าจากชีวิตของเราเนี่เฮ้ถ้ามันหลงเป็นนั้นและงานของเราปฏิบัติลงไปให้เกิดความรู้ตรงนั้นแหะนิพพานเกิดอยู่ตรงนั้นถ้ามันทุกข์ถ้ามันหลงถ้ามัน มีปัญหามาเละมันก็มีปัญญาอาจจะมีศีลตรงนั้นด้วยเป็นสมาธิตรงนั้นด้วยเป็นปัญญาตรงนั้นด้วยในความหลงมีศีลตรงนั้นศีลที่ขันทีมากในความหลงมันทดสอบศีลที่ขันให้มีความถี่เหมือนผ้าเนื้อดี เอาไปห่อน้ำมันจึงจะเป็นผ้าเนื้อดีผู้มีศีลจะต้องผู้มีศีลมันทดสอบ ก, กับการที่อะไรที่มันทุกข์มันหลงมันโกรธมันจึงพิสูจน์ได้ตรงนั้นไม่ใช่ศีลธ น, นูธนอมนั่งหลัหูหลอนตาจีนเลแ่แมงวีแมงมันไม่ใช่ศีลคือทดสอบใช่ได้ไม่หวานวาย ไม่เปลี่ยนแปลงจึงจะเรียกว่ามีสินได้มีสมาธิยังยังเป็นเดียวอยู่ยังไม่เป็นอะไรอยู่ยังไม่เป็นอะไรนั้นฝั่งทะเลสมาธิเหมือนชายหาดไม่เป็นอะไรสมาธิ ในความไม่เป็นอะไรมันมีทั้งปัญญาด้วยรอบโลกอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ให้เป็นอะไรสิ้นสมาธิปัญญาไม่ให้เป็นอะไรตัชีวิตรวนรุนนี่คือชีวิตสิเลนะสุขติยันติสิเลนโพกสมปทาสีเรนนิพุติงยันตินะ ค, ตนตคือสินนี้นสินฉิกขาสินที่เกิดจากการ ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ศีลแบบสมาทานเอามายกรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็นั่นแหละรักษณะศีลมาทำบุญกรู้เป็นบุญซะไม่รู้คือเป็นบาปซะเมื่อ้นบาปเพราะไม่รู้คือบาปบาปวิชาเอาให้หลง ไปถึงความเกิดเจ็บตายรวมรูปสึตตัวเป็นวิชาขอให้ไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ตายนี่คือมาทําบุญแบอามาเอาลูปเอาน้มาแปลเฉพาเป็นมรรคเป็นผลถ้าไม่มีรูปไม่น้ำมันมีบุญไม่ได้มีรรคไม่ผลไม่ได้นั่นมาให้เราใช่ลูกทำน้ําทํา มายิ่งดีใหญ่มันทำอะไรจรีที่มันทำมันคือทำบาปและทำบุญรูปเนี่ยนามนี่ต้นบนต้นบาปมันเกิดอยู่ที่นี่ที่รูปที่นามรูปทำนามทำรูปทุกนามทุกทุกแบบไหนไหน ย, ยา หยิบมดูเฉียดูเฉียทุกข์ดเหมือนเหมือนแบบเจี่ยเฉียที่เขาว่าเฉียดูบ้างดทุกทุกแบบไหนทุกแบบบางอย่างมันได้ประโยชน์เฉเดียวเฉ่ารจังพาวทุกทุกแบบไม่ทุกทุกที่ ที่ที่เป็นสมบัติของลูกล้ว น, วนต้องหายใจต้องพิบตาสภาวะทุกนั่งอยู่นี่ก็ไม่เที่ยงกรมทุกของลูกสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นิสสุนทุกต้องหายใจต้งองอะไรต่างๆหายใจอย่าเอาอะไรมาเป็นทุกข์ทั้งหมด ทุกอาศัยนั่งนานๆนนก็อาศัยความบริบทก็เป็นนั่งอยู่นานๆก็มันไม่เป็นธรรมต่อลูกลูกมันต้องการอย่างนี้ลูกธรรมไม่มีใครเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่เองอารถูกะทุก ทุกเพราะหนักเพราะมาทุกเพรากินพราอ้อา พ, พอต้องกินต้องขับต้องถ่ายสภาพนิจอาการตกะทุกข์อันทุกข์ที่เกี่ยวกับวัตถุเจงของต้องเคลื่อนไหวต้องเป็นต้องกินเนี่ยก็ต้องมีการเที่ยวการกินนี่เป็นวัตถุออมภายนอกชวนทุกข์อริสัตนี่ ในตัวมันเองไม่น่าจะยากก็ <c oughs> เจ้าเห็นอย่างนี้อิเลตัญหาเทเดปันหตัญหา1้อเป็นทุกข์อริยสัจมันมากถ้าเราไม่รู้ถ้าเราลู่กัมือเดียวไม่เหมือนกับทุกข์สภาวะทุกข์นิจฉันทุกข์อาคันทุกข์กระทุกข์ ต้องมากปองซื้อรถต้องไปชื่อไหลชื่อซี่เดินต้องลูกข้าวต้องไถนาต้องกําแบกคาบนอันทุกสมุทัยทุกกริษันเไม่มีสิ่งใดมันเกิดมาขึ้นมาเลยมันไม่น่าจะยากนะักิเลสไม่พันหนตนหาลอยแป๊บเนี่ยมันมีมาเนี่ยมาด้วยกัน ด่าความหลงงะพ่อมกันก็ไม่หลงอย่างเนี่ยไม่หยากจะยากชิงที่เรารู้อย่างนี้รู้แดงพระเจ้าเฉือนอกแล้วทำทั้นหลายพระเจ้าเฉือนอกมาแล้วบอกทีสิ่งที่ดีแล้วก็เลือกแต่เอาความได้ยินได้ฟังจากที่เราได้อ่านได้เห็นได้ฟังมามาทําลงไป โอ้เจ้ามาจะบอกให้อดข้าวอดด้านะขี้ผิดไปเลยอัถาจิตมาโยกเราม่ยุดขาโยกไม่ควรขรกไหยเฉือนหลอกแล้วมัจิบาปฏิปตาเห็นมันเห็นมันอย่าไปเป็นกับมันมันโกดเห็นมันโกดอย่าเป็นไปกับความโกดนี่ชี้ทางอย่าเนี่ย ถ้าโกรธก็เป็นความมัศขในกายยุบพิษอ่อนแอแล้วโกรธเป็นความทุกข์ให้ความทุกข์เป็นความทุกข์ให้ความโกรธเป็นความโกรธเป็นอัตเะยิมถยหยกมันไม่ผลทุกข์กระเทือนกับชีวิตเราเน้นจิตวิญญาของคนเดี๋ยวนี้คนก็สร้างคนโกรธ ให้คนนั่นโกรธบ่อยๆเขาจะต้องตายง่ายได้ผลเมื่อเราไปพูดให้เขาโกรธเ้ืเขาโกรธเรผลเหมือนเหมือนลูกสอนยิงให้เขาได้เก็บปวดมันก็ เ, เป็นบาปทั้งสองคนจีนที่เขาทำห้เราทุกเราไม่ทุก ความทุกข์มาถึงเรามาถึงเราแล้วเป็นความไม่ทุกข์ความทุกข์เส้นหนาปวดแล้ ว, ลวความไม่ทุกข์มันชิมาปฏิปทามีในชีวิตเหล่านี้ที่มีรูปมีนามเนี่ยเอามาเป็นความอรู้สึกตัวเห็นอยตุเป็ น, ปนง่ายๆเหมือนไม่เหมือนกับจินข้าจินข้าต้องเหนื่อย นั่งกินข้าวก็กวดหลังปวดเดียวไม่เหมือนคนหนุ่มนะเห็นคนหมูมาทําโต๊ะให้บอไม่เท่าไรเออสะดวกกันมาหน่อยต้องเขี่ยวเขี้ยวนะก็ไม่เหมือนคนหนุ่มอาจจะเขี่ยวไหวซะหน่อยแต่ไม่ค่อยแหลกมันมีฟันที่ไม่ตรงกันต้องเขี่ยไปที่ตรงกันมันน้อย มันไม่ไ ม, มีทั้งหมดเชี่ยวผลเฉลี่กินข้าวเชี่ยวไห ว, ไวมไมๆแบบแบบนั้นน่มันก็ยังไม่ไม่แหลกก็รู้จีมก็เหนื่อยนะยิ่งข้าวอันความหลงเปลี่ยนความไม่หลงมันไม่เหนื่อยเลยนะขยันขยันดีสนุกนะไมทุกเปลี่ยนเป็นไม่ทุก ข้อมเก็บเปลี่ยนไปไม่เจ็บข้อมแฉเปลี่ยนไปไม่แฉขวอ ม, ม, มตายเปลี่ยนเป็นไม่ตา ย, ยง่ายกขัวกินข้าวง่ายกขัวอาบน้าง่ายกขัวแปลงฟันต้องมีวัตถุอื่นตอนนี้เนื้อมันในมันนะจึงปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงๆนะให้สติพวกเรามีสติเนี่แหละเครื่องมือของเราที่จะทามีกรมมฐาน สมบูรณ์แบบนะเพราะทำกาสอนของพระเจ้าสมบูรณ์แบบเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์จริงๆไม่ความหลงไม่ความไม่หลงในความทุกข์ไม่ความไม่ทุกข์ลุยไปทางนี้ไปทานี้ไปทางนี้ก็สะดวกนะลองลูกก็ได้ลอ ง, ด ก, อดลองกดดูสิหรือหัก ดามผ้าด้วยเข่าลงรูปเอาทัาเกียงหนยไม่โกรธลงเลยตึ๊ดบางก็เด็กน่อยสะอื้นเวลาพ่อแม่ไปให้อารมณ์มันเวลามันโกรธเงื้อรูบหลังเช็ดหน้ารูบหน้ารูบตามันยังมันหยุดลงไ่าแต่มันสะอื่นอยู่เรื่องหักดามผ้าด้วยเขา่าหักดิบหักดิบติดตลอดที่ถ่านละ บางคนจะเลิกสูบเลยหักดิบยุตเลยหักดิบมันติดจิงจริติดมาบอกหักดิบไม่ต้องกินเลยบางคนอ่อนแอมันติดมบอกว่าหักดิบช็อกเลยต้องไดีวสมกันปีหนึ่งไปอยู่วัดโมกขนเจ มีคนออกคนติดเฮโรอีนมาแต่ไม่นั่นก็เฮโรอีนไม่เหมือนยาว่าทุกวันเองก็พี่สอพามาบอกว่าไม่ให้มีอะไรเลยนะเงินทองไม่ให้มี <c oughs> เอาไว้กับเราหมดต้องตรวจกระเป๋ามีอะไรบ้างเห็นเฮโรอีนมาสองสามหลอ ด, ดยลืไปไปห้เงินเข้ามาบอกว่าไม่ต้องอะไรหักติบเลยบอกว่าหักติบช่วยซ็อกไปเลยพี่สาวต้องส่งม ลบหน้าลบตาน้ำล้างหน้าเช็ดหน้าเคล่งขึ้นมาเขวบอกว่าไม่ไหวผ ม, ไ, มไว่ไหวไม่สู้ไม่สู้ส่วนพิเสากับรถไม่อยู่เลยตายเลย <c oughs> นี่ก็แล้วแล้วไม่โกรธไม่ได้นะหลวงกห้ามไม่โกรไม่ได้ไม่โกรธไปได้ แต่ให้คนเดินห้ามไม่ได้จริงๆแต่เราห้ามกันไม่ตัดทังขับวิมุตข่มไว้ใช่ไหมเจอจิต劣ต่าง ห, าหลายคาเกิดใยขึ้นมาอารมก็ตัดทังขับวิมุตโกรดลงไปก็มฐานลงไปอิขำปัญญวิมุตออกไปเ ก, ก่อกนอย่ามาสู้กับเช่งหน้าวันจนง่วงเหงาหอนอน มันจะหา่าไม่หา่าปิดปากไว้ไม่ว่าถ้าทางไครหมดปิดปดากไวาไม่ลมไม่ลมห ง, งมันมมแล้วมันยังสู้อ่ะตัดวิขำพันธุุตรออกไปลุกไปเดินอย่ากมถ้ามีที่เดินยังกรมผลตกปวดบ้านกวดทําความจอดประตูหน้าตา่างเจ็บเข้าเจ็บของหนีไปก่อนหนีเรื่องนี่จ่อนไปทํา ฉลาดสมุจรเขตตะวิมุติเด็ดขาดเข้มแขงมาเลยมาไลา่เป็นดีกรรมฐานแก่ก็มีสติแก็ก็ไม่หวั่นไหวเรื่องอะไรต่งตางๆนะมันช่วยได้กรรมฐานเนี่ยหลยอย่างเอามาเป็นเรื่องการกระทาที่ตั้งของการกระทามันอยู่ตรงนี้ไปตั้งที่โน่น ถ้าฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งโน้นคนรับฝั่งกันด้วยแต่ในะชืวิตตอนนี้ถ้าฝัง่งลูกอยู่นี่ยฝั่งพันิุพานอยู่ทางนี้ครับอย่าจนอย่าจนในความหลงอยู่ฝังงฝ่งนี้ความไม่หลงอยู่ฝั่งนี้ในความหลงเป็นหน้าเมืองเป็นเป็นหน้าเมืออนี่เอาได้ในความไม่หลงเป็นหลังเมืองเอาอะไรมาเสียหลังเมือที่ไม่มีเลย เอาไม่ได้เลยเหมือนหลวงาขอแผ่นเห็นขันห้าใช่ไหมก่อนมันอยู่นี่อันนี้สุขทุกทุกเวทนาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาบินแล้วอะไรังไจับไม่ได้เลยนะมันหลังเจ้าอันนัอ้เหมือนหลังเจอกันก็ไปคนละทางเลยเข้าสู่สภาพธรรมชาติถ้าก่อนมันอยู่เนี่ยมันทำไง มันไม่ทำเป็นธรรมชาตินะงูหาหลังใจีกันเข้าสู่ธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมชาติคือธรรมะโอ้กรรมไม่ได้อลเลยให้เดี๋ีมันกรรมไม่ได้ดันกรรมออกไปข้างนอกไปสู่ธรรมชาติเมื่อไม่ไมีหลงก็ไม่โหลัวมมีทุกข์ก็ไม่ทุกข์ ก็ไม่เก็บก็ไม่เก็บไม่แจ ก, ก็ไม่เชร์มัเม้เ <laughs> อไปอย่างนี้นะเออเออเออเทำไมไปทาไมแปดี๋ยันอ้ใช้ดได้เลยนะ่อยยังเสียดอยยังเส <laughs> ียาดายฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ไอ้หลงมันก็ไม่หลงไม่เจ็บก็ไม่เจ็บไม่แยบไ ม, บไม่ไปทางนี้นี่นะคนน้องฟังกันตอนนี้มาทางนี้ทุกเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้สุกมันกรรมไปทางนี้มันก็ไม่ใช่หรอกนะเอามือกรรมไหมไ ม, หมันปฏิบัติทำมันเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความรู้สึก เปลีนความเห็นไม่ถูกจริงจังวต่าทุกข์ความหลงความโกรธไม่ถูกจริงจริงทำไงก็ เ, เป็นธรรมดาต้องสอนลูกรูปไม่ใช่มาเกิดมาเพื่อให้เราใช้ผิ ด, ผดเป็นธรรมชาติของเขาเราจึงสอนตัวเองให้มาเอยขวบาจานว่าเกินไป ไปอยู่บางกินอาจารย์โนดสอบอารมดีดนะแล้วมีชั่วโมงเจ้ามงสอบอารมจะมีคนปฏิบัติพูด ข, ด ข, ด ข, ด ข, ขออึ้นพูดขึ้นพูดขึ้นพูดขึ้นพูดขึ้นมาพนันพูดคนละคนร่างก็แปลให้เราฟั ง, ฟงให้อาจารย์โนดศอบลารมอธิบายไปอธิบายได้ดีกว่าหวงพ่ าะฉันจะหนดจะได้จันต้องสิ้นฉันต้มหลายชีวิตที่ช่วยกันได้ไม่จนนะพวกเรามีมืดไมีเพื่อนบอกเถอะพร้อมที่จะเฉล่อยได้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับกวายกับใจกับป่านปฏิบัติมีหลักมีฐานแน่นอนไม่พาหลงทิศหลงทางดักธรรมเนี่ยนะ รับเกี่ยวกับยี่สิบกว่าวันแล้วไม่ต้องนํำเะฮะอ่าอ้าพห้องกัน